ปู่พรมมาพรมมาจั ก, กรโกหรือพระสุพรมยานณเถระแห่งวัดพระพุทธบาทตากผ้าตมบลญมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนชื่อที่ชาวเหนือเรียกท่านอย่างคุ้นเคยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาคือครูบาพรมมาหรือว่าหลวงปู่พระพุทธบาทตากผ้าแทนนามของท่านจากการบันทึกของผู้ใกล้ชิดหลวงปู่พรมมาค่ะก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติของหลวงปู่พระพุทธบาทตากผ้าไว้ดังนี้นะคะ บอกว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนาได้ไม่นานนักแต่ว่าท่านมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะออกทุดงไปตามป่าตามเขาเพื่อสแสวงหาที่สงบํำเพ็ญสมณะธรรม การออกทุดงในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของสมณะอย่างท่านและการทุดงในครั้งนั้นหลวงปู่ก็ได้มุ่งหน้าไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นเส้นทางที่ลำบากสําหรับการเดินทางไปมาหาสู่กันเพราะว่าเต็มไปด้วยป่าดงพงไพรที่ดาด ด, ดือดไปด้วยต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นแล้วก็รกทึบที่น้าวาดวันพรั่นพึงยิ่งกว่านั้นคือมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมายมีทั้งที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายแก่ชีวิต แต่ว่าหลวงปู่ท่านได้ตั้งปณิธานไว้แล้วนะคะว่าจะต้องไปหาสถานที่สงบแล้วก็เหมาะสําหรับการเจริญธรรมกรรมฐานและและออกจากกองกิเลสค่ะตอนนั้นหลวงปู่ท่านกําลังเป็นพระหนุ่มไฟแรงเมื่อคิดแล้วก็จะต้องทําเมื่อทําแล้วไม่มีคําว่ากลัวและความกลัวก็ไม่มีในความเป็นสมณะเป็นความคิดที่กระตุ้นอยู่ในจิตใจของท่านตลอดเวลา นี่แหละคือความเด็ดเดี่ยวที่ไม่หวั่นไหวโยคลอนจะมีก็แต่ความมุ่งมั่นในการค้นหาและการหลุดพ้นจากกองกิเลสอันเป็นไฟเผารนจิตใจมาตั้งแต่เกิดจำต้องกำจัดมันแล้วก็ฆ่ามันให้ดับสูญไปอย่าให้เหลือเชือ้อในขณะการเดินทุ ด, ดงกรรมฐานผ่านหุบเขาแล้วก็ชายป่ามาหลายแห่งแล้วท่านเองก็ได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดแม่ห้องสอน สถานที่แห่งนั้นเป็นวัดร้างที่ถูกทอดทิ้งให้สุดโสมผุพังอย่างน่าสังเวชจะเหลือร่องรอยให้รู้ว่าที่นี่คือวัดก็คือสาลาการประเรียนเพียงหลังเดียวที่ยังคงสภาพอยู่นะคะแต่ก็เก่าคร่ำคราไม่รู้ว่ามันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ส่วนเซนาสนะอื่นๆค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารแล้วก็กุฏิพระสงฆ์ก็ได้กลายสภาพเป็นกองไม้ผุพังปลวกกัดกินหมดแล้วแล้วก็ยังมีเถาวันไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมจนมองไม่ เห็นเขาความเป็นกุติสงฆ์แม้แต่น้อยวัดร้างแห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรซึ่งเวลาในขณะนั้นนะคะพระอาทิตย์ก็ได้รับยอดไม้กำลังจะจากลาโลกไปในไม่นานนี้หลวงปู่จึงตัดสินใจเข้าไปพักที่สาราการประเรียนพอจะเป็นที่พึ่งพาอาศายัยบังน้ำค้างแล้วก็ลมหนาวได้บ้างสาราร้างถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานจึงไม่มีใครให้ความสนใจถาดการดูแลจึงทับถมไปด้วยใบไม้แล้วก็ฝุ่นละออง หลวงปู่ก็ทำความสะอาดด้วยการหาเศษไม้แถวนั้นมาปัดกวาดตรงที่จะปักกลดเพื่อใช้เป็นที่นั่งภาวนาและเป็นที่พักผ่อนสำหรับคืนนี้จังหวัดแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดที่อากาศหนาวเย็นยิ่งอยู่บนเขาสูงด้วยแล้วละก็เพียงแค่ตะวันเคลื่อนลับยอดไม้ไปเท่านั้นหมอกก็จะทอดทาบเข้ามากลายเป็นสีเทาไปทั่วทั้งป่าดงพงไพรทันที และในขณะนั้นเองนะคะก็ได้มีชาวบ้านซึ่งเป็นชายชะกันสองสามคนพากันเดินลัดป่ามายังศาลาร้างที่หลวงปู่พรมมาปักกลดอยู่พอพวกเขาเข้ามาถึงต่างก็นั่งลงกราบนมัสการอย่างนอบน้อมแสดงความยินดีที่ได้พบพระธุดงค์ผ่านมาให้ได้ทำบุญบ้างเนื่องจากหมู่บ้านของพวกเขาไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานานแล้วแล้วก็นับตั้งแต่วัดได้กลายเป็นวัดร้างลงไปนั่นเองค่ะ หลังจากได้ทำการกราบน้ำมัสการแล้วชายชะกันผู้หนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสที่สุดในกลุ่มก็ได้กล่าวขึ้นนะคะว่าขออาราธนานิมนต์ท่านเข้าไปพักในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญและถวายพัดตาหารได้สะดวก แต่ว่าหลวงปู่ท่านก็ได้ปฏิเสธความหวังดีของชาวบ้านด้วยเหตุผลที่ว่าท่านเองก็ต้องการอยู่ในสถานที่ที่มีความสงบเงียบแต่เพียงลําพังเมื่อชาวบ้านเห็นว่าท่านไม่ยอมไปพักในหมู่บ้านอย่างที่พวกเขาตั้งใจนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวอันน่าขนลุกขนพองที่เกิดขึ้นในศาราร้างหลังนี้บอกว่าสาลานี้เนี่ยผีดุมากเพราะว่าเคยมีพระธุดงค์ผ่านมาแล้วก็แวะพักเพื่อเจริญวิปัสนาแต่ก็ปรากฏนะคะว่าไม่มีพระธุดงค์องค์ใดอยู่ได้ถึงเช้า พอตกดึกก็หนีกระเจิดกระเจิงออกจากวัดหายไปหมดจึงเกรงว่าครูบาจะได้รับอันตรายอันเกิดจากการหลอกหลอนของผีที่สาลาดร้างตามข่าวเล่าลือของชาวบ้านหลวงปู่พรมมาท่านเองก็นั่งฟังอย่างสงบแล้วก็เข้าใจทุกอย่างท่านเองก็ได้กล่าวอนุโมทนาในความปรารถนาดีของชาวบ้านทุกคนนะคะพร้อมกับได้ยืนยันว่าท่านจะพักครั้งแรมที่นี่ต่อไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด และท่านยังได้กล่าวให้กับชาวบ้านทราบแล้วก็ได้คลายความวิตกกังวลว่าไม่น่าจะมีอันตรายนะเพราะว่าท่านมาดีไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียนหรือรบกวนผู้ใดเพียงแต่มาขอพักอาศัยชั่วคืนในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเมื่อชาวบ้านได้เข้าใจความปรารถนาของท่านแล้วก็พากันกราบนมัสการลาไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยไม่หายนะคะหลังจากชาวบ้านกลับไป หลวงปู่ก็ได้สวดมนต์ไหว้พระตามกิจของสงฆ์จากนั้นก็เข้ากรดเพื่อเจริญภาวนาธรรมรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวในการพิจารณาข้อธรรมแห่งการหลุดพ้นเพียงประการเดียวไม่ให้จิตใจแส่สายออกไปภายนอกเพ่งเพียนอยู่ในใจให้สงบนิ่งดิ่งเข้าสู่สมาธิกรรมฐานเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่อาจทราบได้นะคะหลวงปู่ก็ได้ถอนจิตออกจากสมาธิเข้าสู่สภาวะปกติ ประมาณเอาว่านั่นคงจะดึกมากแล้วบรรยากาศโดยรอบสงัดเงียบแล้วก็วังเวงในความมืดแห่งรัติการขณะความเงียบเข้าปกคลุมความวังเวงเข้าครอบงำอนาบริเวณ น, นั้นจนหน้าหวั่นไหวพันก็มีเสียงกรีดร้องดังหวีดวิวใกล้เข้ามามันเป็นเสียงร้องที่เยือกเย็นไปผิดจากเสียงร้องของคนธรรมดานะคะหลวงปู่คิดถึงคําบอกเล่าของชาวบ้านในช่วงหัวค่ําขึ้นมาทันทีจิตใจก็เริ่มที่จะประวันพรั่นพรึง ในใจของหลวงปู่เองก็นึกนะฮะบอกว่ามันมาแล้วมันกําลังมาแสดงภาวะเพื่อหลอกหลอนให้ท่านตกเป็นทาตุแห่งความกลัวจนมิอาจจะคุมสติตัวเองได้จากภาวะอันน่าขนลุกขนพองสยองเกล้าดังที่มันเคยทํากับพระธุดงรูปอื่นๆจนหนีกระเจิดกระเจิงออกจากวัดไปกลางดึกหลวงปู่เองก็พยายามข่มใจเพื่อเอาชนะความกลัวให้จงได้ค่ะแล้วในที่สุดท่านก็ได้สติกลับคืนมาไม่หวั่นไหวพรั่นพรึงใดๆ แม้จะมีเสียงกรีดร้องคร่ำ ค, ครวญโหยหวนนานสักแค่ไหนก็ตามหลวงปู่เองท่านก็ยังคงนิ่งเฉยนั่งสงบอยู่เช่นเดิมประหนึ่งว่าท่านไม่ยอมรับรู้ใดๆทั้ทงสิน้นยิ่งนานเสียงร้อง่วยหวนยิ่งแรงขึ้นนะคะหลวงปู่ก็เลยลืมตามองออกไปนอกกรดห่างกันไม่กี่ว่าท่านได้มองเห็นเจ้าของเสียงร้องโหยหวนค่ะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆสีดาขนาดใหญ่ว่าจะคล้ายตุ่มใส่น้าก็คล้าย ขณะที่หลวงปู่มองมันด้วยความสนใจแล้วก็สงสัยอยู่นั้นก้อนดำๆขนาดใหญ่นั้นก็ค่อยๆ ย, ย, ยืดตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นรูปกายของมนุษย์ที่มีลำตัวสูงโย่งเทียมยอดไม้แต่ว่าส่วนใบหน้าและศีรษะเล็กผิดส่วนคอพับห้อยตกลงมาเหมือนคนก้มหน้าแขนสองข้างเหยียดยาวลงมาเรียดดินลิ้นยาวออกมาจากปากเป็นวาฝ่ามือสองข้างใหญ่เหมือนใบตานแกว่งไปมาไม่หยุดนิ่ง หลวงปู่ก็พึมพำอยู่ในใจนะบอกว่าเออนะมันน่าจะเป็นเปรตมากกว่าผีอย่างอื่นท่านก็คิดแล้วก็พิจารณาด้วยความเวทนาในความทุกข์ทรมานของมันเพราะว่าในช่วงที่มันเป็นมนุษย์ยังไม่ตายดับไปจากโลกมันก็คงจะก่อกรรมทำเวรกรรมไว้เยอะมากพอสมควรเมื่อตายไปก็เลยได้รับกรรมเช่นนี้แล้วหลวงปู่เองนะคะก็คิดไปถึงการมาของมันในค่าคืนนี้มันคงไม่มีเจตนาจะมาหลอกให้ตื่นกลัว แต่ว่าที่มันมากรีดร้องเสียงโหยหวนแล้วก็ปรากฏตัวเพื่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มากด้วยกุศลผลบุญอันเกิดจากบารมีธรรมที่ได้ปฏิบัติได้แผ่เมตตาอันเป็นกระแสธรรมที่ชุ่มเย็นไปให้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าอบายภูมิที่กาลังผจญอยู่นั่นเองค่ะ แต่ว่าพระผู้เจริญด้วยธรรมบังรูปยังไม่เข้าใจพวกมันก็เลยคิดว่ามันมาหลอกเพื่อขับไล่ให้ออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของมันยังไม่ทันที่จะได้คิดและตั้งสติเพราะว่าความกลัวจนลนลานสติแตกหอบบริฐารหนีกันกลางดึก แต่ว่าหลวงปู่พรมมาเวลานั้นท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องอย่างนี้จึงไม่รู้นะฮะว่าจะช่วยพวกมันด้วยวิธีใดแม้ว่าใจจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าก็ตามแต่ว่าท่านก็ขาดประสบการณ์ทว่าได้เรียนรู้มาบ้างนะคะก็เลยอ่ะลองให้ความช่วยเหลือไปตามกุศลแล้วก็เจตนาดังนั้นท่านก็เลยหลับตาลงแล้วก็น้อมจิตรัลึกเอากุศลความดีที่ตนเองได้ปฏิบัต สมณธรรมมาด้วยกายแล้วก็ด้วยใจอีกทั้งยังบำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งสู่โมกะธรรมเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นเป้าหมายนะคะท่านก็ได้น้อมนำอกุศลเหล่านั้นเพื่อเกื้อกูลต่อสัตว์โลกที่มีรูปกายและก็ไม่มีรูปกายซึ่งกําลังได้รับความทุกเวทนาอยู่นี้ให้พ้นไปจากความทุกข์ทรมานที่พวกเขากาลังได้รับอยู่นี้ด้วยเถิด หลังจากที่หลวงปู่แผ่เมตตาไปให้ไม่นานนักนะคะเสียงร้องที่โหยหวนนั้นก็ค่อยๆเบาลงแล้วก็จางหายไปกับความมืดในราตรีนั้นมันคงได้รับความผ่อนคลายจากกระแสธรรมแห่งความเมตตาที่หลวงปู่แผ่ไปให้จนเกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานไปได้ในระดับหนึ่ง หลวงปู่พรมมาลืมตาขึ้นหลังจากที่เสียงร้องโหยหวนนั้นสงบลงก็ปรากฏนะคะว่าเปรตตนนั้นได้อันตรธานหายไปอย่างแร่ร่องรอยเหลือแต่ความว่างเปล่าและก็ความเงียบบนสาราการประเรียนที่เก่าคร่ำคร่าหลังนั้น หลวงปู่พรมมาเองท่านก็ไม่กังวลสนใจต่อสิ่งใดอีกต่อไปและท่านก็ยังคิดว่าจะเจริญภาวนาอยู่บนสาราวัดร้างแห่งนี้สักระยะจึงจะพักผ่อนหลับนอนเอาแรงเพื่อทุดงกรรมาฐานต่อไปในวันใหม่อันเป็นวิถีของพระป่าทั้งหลายทั้งปวงได้ปฏิบัติกันมาจนสำเร็จในธรรมะชั้นสูงนะคะไม่ทันที่หลวงปู่จะเอนกายลงนอนค่ะก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมขึ้นมารอบสาลาดร้างอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ ไม่ใช่เสียงร้องหหยหวนเพียงเสียงเดียวหากแต่มีหลายเสียงแล้วก็ส่งเสียงร้องประสานกันแสดงว่าวัดร้างแห่งนี้มีวิญญาณที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เป็นจำนวนมากที่รอคอยความเมตตาจากผู้ทรงศีลที่จะได้แผ่บุญกุศลแล้วก็แผ่บารมีทราไปให้เพื่อผ่อนคลายความร้อนรนในจิตใจสู่ความชุ่มเย็น หลวงปู่ท่านรู้ในการมาของพวกเขาท่านก็เลยแผ่เมตตาไปให้บรรดาอสุรกายเหล่านั้นจนกระทั่งเสียงร้องได้เงียบสงบลงเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ได้ออกโคจรบินทบาทในหมู่บ้านแล้วก็กลับมาทำพัตกิจจนเสร็จเรียบร้อยจึงออกเดินทุดงต่อไปบนเส้นทางแห่งธรรม การผจญวิญญาณของส ม, มณะที่ออกทุดงคกรรมทั้งหลายที่ได้ถ่ายทอดผ่านผู้ใกล้ชิดนั้นเราเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะเชื่อในความสัตว์แห่งวาจาของท่านทั้งหลายผู้เจริญด้วยธรรมและปฏิปทาเหล่านี้นะคะ คนรุ่นใหม่ๆมักจะสงสัยนะคะว่าตายแล้วไปไหนถ้าจะถามคนดิบๆอย่างบีเองก็อยากจะได้คำตอบเหมือนกันแต่ถ้าถามพระสงฆ์ที่เจริญธรรมกรรมฐานหรือว่าเข้าถึงฌานสมาบัติคือทําชั้นสูงแล้วท่านก็จะต้องมีคาตอบให้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่านะเรื่องต่อไปนี้ที่เราจะนำมาเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีหรือว่าวิญญาณ แต่ถ้ามองว่ามันเป็นอุปทานในคืนวันนั้นก็ต้องถือว่ามันเป็นอุปทานหมู่นะคะเจอกันทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวาสอุบาสกอุบาสิกาเจอกันท่วนหน้า บีก็เลยขออนุญาตนะคะหยิบเอาข้อมูลที่คนรุ่นเก่าได้เขียนบันทึกไว้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณแล้วก็กรรมไว้เมื่อหลาย10ปีก่อนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าเท่าที่อ่านข้อมูลผู้เขียนบันทึกไว้นํามาอ้างอิงนะคะก็มีความน่าเชื่อถือมากว่ามีความน่าจะเป็นไปได้แล้วก็น่าจะเกิดขึ้นจริงในมุมมองของอตัวบีเองนะคะจากการวิเคราะห์ในตัวละครที่น่าเชื่อถือนั้น ดีไม่อยากจะให้เรื่องมันยืดเยื้อทำนองว่ามีแต่น้ำไม่มีเนื้อก็เลยขอวกเข้าเรื่องเลยละกันแบบยิงแสกหน้าไม่ต้องร่ายรำแบบมวยไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อให้คุณผู้ฟังทั้งหลายคนเนีคะได้ฟังโดยความสนุกไม่ต้องมาตีความหรือว่าแปลไทยให้เป็นไทยปวดสมองดังนั้นควรมารู้ตรงนี้ก่อนดีไหมเปรตคืออะไรผีคืออะไรอสุรกายคืออะไรสัมภเวษีคืออะไรคือรู้ไว้แค่นี้ก่อน เปรคือสัตว์ที่ไปเกิดในอบายภูมิพวกหนึ่งผู้ตายแล้วผีพวกหนึ่งมีรูปร่างผอมโซสูงย่งกินเลือดกินน้ำหนองของตัวเองเป็นอาหารนะคะผีหมายถึงคนที่ตายไปแล้วซากศพวิญญาณของคนหรือสัตว์ตายแล้วสำแดงร่างหลอกบางครั้งสังคมก็นำมาใช้กับคนไม่ดีนะคะ สัมภเวสีหมายถึงผู้สแสวงหาที่เกิดอันได้แก่วิญญาณของคนที่ตายซึ่งยังวนเวียนอยู่ในที่ที่ตัวเองตายนะคะและก็ยังหาที่เกิดไม่ได้เราก็จะมีนิยามให้กับวิญญาณเหล่านี้ว่าสัมภเวสีหรือว่าผีเร่ร่อนนั่นเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องชุมนุมผีครั้งใหญ่ที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะ วัดนี้ไม่ใช่วัดบ้านนอกนะหากแต่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายยุคหลายสมัยแม้กระทั่งในปัจจุบันวัดนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสาคัญและก็มีบทบาทในทางพระพุทธศาสนาระดับแถวหน้าและตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะในบันทึกได้เขียนไว้ว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมประมาณวันที่1งถึงวันที่17 พุทธศักราช 2,514 ทางวัดบวรนิเวศได้จัดให้มีงานสัปดาห์อนุสรณ์50ปีนับตั้งแต่วันสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรอดีตพระสังฆราชรูปที่สิบ ซึ่งพระองค์ได้ทรงปกครองวัดในปีพุทธศักราช 2,435 ถึง 2,464 รวมระยะเวลาในการปกครองก็29ปีค่ะสำหรับการจัดงานนั้นนะคะก็ได้จัดให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอย่างเอิกเกระเิกยิ่งใหญ่สมพระเกียรติมีการสวดมนต์ถวายพัตาหารแก่พระภิกษุและสัมมเนนที่ได้รับนิมนต์มาในงานนี้ทุกๆวันวันละหลายร้อยรูปค่ะ นอกจากนี้ทางวัดก็ยังจัดให้มีนิทรรศการต่างๆให้ประชาชนได้ชมกันอย่างทั่วถึงในบริเวณวัดในช่วงกลางวันแล้วก็ในวันดังกล่าวก็ได้มีศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายมาร่วมทําบุญกันมากมายในบริเวณวัดนะคะก็เลยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายค่ะหลากหลายอาชีพมีทั้งเป็นกลุ่มแล้วก็มาคนเดียว ในมุมมองของคุณผู้ฟังจะมองกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ขอให้ใช้วิจารณญาณของท่านเองนะคะซึ่งในวันนั้นที่ตึกอาคารพปรคุณหญิงละมุนมีณนนันก็ได้ร่วมเงินบริจาคจำนวนสองล้านบาทยุคนั้นเงินมากขนาดนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มหาศาลเลยทีเดียวนะคะเพื่ออุทิศให้แก่คุณกวีเหรียญระวีที่ล่วงลับไปแล้วในงานนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตสิงซึ่งเป็นอุบาสก ข, ของวัด ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความคิดว่าน่าจะจัดให้มีการแสดงวิธีปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นบนชั้นสองของอาคาร แต่ว่าวิธีการปฏิบัติธรรมของท่านศาสตราจารย์อวยนั้นท่านมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตจากของจริงค่ะท่านก็ได้จัดแสดงให้เห็นถึงอสุภกรรมก็คือการพิจารณาซากศพของจริงด้วยโดยท่านได้นําเอาชิ้นส่วนของศพคนตายที่อุทิศร่างให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชที่ท่านเป็นอาจารย์สอนประจําอยู่ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากนะคะ คนเหล่านี้จะตายในรูปแบบต่างๆก็คือจะมีสารพัดการตายมีทั้งตายธรรมดาและไม่ธรรมดาชิ้นส่วนเหล่านี้ดองไว้ในโหลมาให้พิจารณาการนําเอาชิ้นส่วนต่างๆของคนตายมาแสดงในงานทําเอาศรัทธาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนลุกขนพองหวาดเสียวกันตามๆกันนะคะตั้งแต่เห็นชิ้นส่วนอยู่ในโหลเนื่องจากชิ้นส่วนอยู่ในโหลแต่ละโหลนั้นแตกต่างกันคือจะมีทั้งเจ็บ่ายตาย ตายเพราะความแก่ชราตายเพราะถูกรถทับรถชนตายเพราะฆ่าตัวตายตายเพราะถูกยิงซึ่งการตายในลักษณะดังกล่าวนี้โบราณท่านบอกว่าวิญญาณจะเฮี้ยนแล้วก็มีความอาฆาตสูงหากตายเจ็บตายป่วยหรือว่าแก่ตายวิญญาณไม่รุนแรงแล้วก็ไม่มีอาฆาตนะคะการนำเอาชิ้นส่วนของพวกเขาไปอยู่ที่ไหนวิญญาณก็จะตามไปที่นั่น และที่สําคัญชิ้นส่วนของศพที่นําไปแสดงในงานวันนั้นได้ทําพิธีขออย่างถูกต้องด้วยหรือเปล่าบอกพวกเขาด้วยหรือเปล่าเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าไม่สําคัญซึ่งในบันทึกไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นะคะในวัดมีศรัทธาประชาชนชาวพุทธเดินเข้าออกในวัดเป็นจํานวนมากในแต่ละวันมีทั้งตั้งใจไปนั่งฟังเทศเดินชมนิทรศการเต็มลานวัดในช่วงของตอนกลางวันแล้วก็ช่วงของหัวค่ายังไม่มีอะไรผิดปกติค่ะแต่ว่าพอตกดึก พี่น้องชาวพุทธต่างทยอยกลับจนดูเงียบเหงาว่างเปล่าจะมีก็แต่โต๊ะเก้าอี้แล้วก็บรรดาสุนักจรจัดที่ออกหาคุยขยะแล้วก็เศษอาหารกินประทังชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในคืนวันนั้นมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันบนชั้น2ของอาคารพป ร, รห้องที่จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นกว้างใหญ่พอสมควรค่ะติดพัดลมเพดานไว้หลายตัวซึ่งแบบตั้งโต๊ะก็มียิ่งบรรยากาศภายในวัด ดึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเงียบแล้วก็ยิ่งวังเวงนะคะเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติธรรมต่างก็นั่งนิ่งไม่มีใครคุยกันจึงดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องนั้นเลยนะคะนอกจากความเงียบแล้วก็เสียงร้องของตุ๊กแกที่หาอาหารอยู่บนเพดานของข้างฝาผนัง ยิ่งมีความเงียบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายความรู้สึกกับผู้ที่นั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานจำนวนหนึ่งไม่น้อยเพราะว่าจิตยังไปอยู่ที่ขวดโหลสำหรับดองศพสารพัดการตายที่ตั้งแสดงอยู่ภายในห้องให้ทุกคนได้พิจารณา นานๆจะมีเสียงเห่าของสุนัขทั้งในวัดและนอกวัดมันหอนรับกันเป็นช่วงๆนักวิปัสสนาธรรมมือใหม่ต่างจิตใจไม่เป็นปกติหากพูดกันแบบชาวบ้านก็คือขนหัวมันลุกขึ้นใจมันก็วิววิวเสียวเสียวหูก็แว่วเหมือนมีคนมานั่งแทรกอยู่ข้างๆไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่ทาให้สุนัขหาเศษอาหารภายในวัดเหล่านั้นมันทั้งเห่า ทั้งหอนอยู่ตรงหน้าตึกพอป ร, รอมีทั้งทำท่าจะวิ่งเข้ากัดเข้างับประหนึ่งว่าพวกมันได้เห็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบริเวณตึกโบราณกล่าวนะคะว่าสุนัขทุกตัวจะมีดวงตาพิเศษคื อ, อเหนือมนุษย์นะคะธรรมดาอย่างเราพวกเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าพวกสุนัขมันมองเห็น ในตอนดึกของคืนวันนั้นที่วัดบวรนิเวศก็เหมือนกันค่ะสุนัขมันเห่าแล้วก็หอนไม่ยอมหยุดทำลายสมาธิของผู้ปฏิบัติทาไม่น้อยเลยหลวงพี่รูปหนึ่งได้กล่าวว่าปกติพวกสุนัขที่วัดมันไม่เคยเกรี้ยกราอดแล้วก็หอนโโจ ร, รับกันเป็นทอดๆขึ้นอย่างนี้แต่ว่าคืนนี้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ ที่จริงหลวงพี่ท่านรู้ดีว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าท่านพูดไม่ได้ถ้าขืนพูดว่าผีมาแล้วก็รับรองนะคะว่าศรัท ธ, ธาธรรมที่กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นั้นก็คงจะพากันวิ่งหนีออกจากห้องเตลิดเปิดเปิงกลับบ้านของใครของมันกันแน่ กลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมในคืนวันนั้นค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีอายุเข้าสู่วัยกลางคนแล้วที่เป็นหนุ่มสาวก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงที่ทำงานข้าราชการก็ไม่น้อยทุกคนต่างทําสีหน้าแตกตื่นนะคะเหมือนอยากจะถามคนอื่นที่นั่งอยู่ข้างๆว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแน่นอนค่ะว่าเสียงที่ผู้ที่มานั่งวิปัสสนาได้ยินนั้น เป็นเสียงของคนจํานวนหนึ่งประมาณสัก 20-30 คนเดินไปมาอยู่หน้าห้องวิปัสนาและที่เดินขึ้นมาจากชั้นล่างของตึกเสียงดังสนั่นนะคะบางครั้งก็เหมือนพวกเขาเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องครู่หนึ่งเหมือนกําลังยืนมองคนที่กําลังนั่งวิปัสนาแล้วก็เดินต่อไปทุกคนจะมีความรู้สึกเดียวกันคือเริ่มจิตใจไม่เป็นปกติหัวใจมันเต้นระสำําระสายเสียงตุ๊กแกที่เกาะอยู่ข้างฝาผนังมันก็ส่งเสียงร้องกระชั้นถี่ผิดปกติ ทั้งทําท่าจะร่วงลงมาแสงไฟในห้องยังสว่างพอที่จะมองเห็นทุกอย่างภายในห้องได้ทั้งเสียงคนเดินไปมาอยู่หน้าห้องวิปัสสนาซึ่งเป็นห้องเปิดโลง่งมองเห็นได้ทั้งนอกห้องและก็ในห้องทั้งเสียงร้องของตุ๊กแกก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นตุ๊กแกผีหรือเปล่าคนกรุงเทพเนี่ยเขากลัวตุ๊กแกกันอยู่ด้วยใจก็เลยไม่เป็นสุขขาดสมาธิ ก็ใจมันวอกแวกแล้วแม้จะพยายามข่มให้เป็นสมาธิก็ตามหน้าต่างห้องที่เปิดรับลมเสียงดังแอดเหมือนคนกําลังปิดทุกบานเลยนะคะแต่เมื่อหันไปดูหน้าต่างทุกห้องก็ยังคงเป็นปกตินอกจากนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดแล้วก็เสียงบ่นของคนกลุ่มหนึ่ง พวกเขาบ่นถึงความทุกข์ทรมานที่กําลังได้รับอยู่จากนั้นก็จะมีเสียงร้องดังวีดขึ้นสูงสูงแล้วก็แหลมก็เป็นอันรู้กันแล้วค่ะว่าเสียงร้องเป็นเสียงของเปรตแน่นอนเพื่อที่จะมาสมทบขอส่วนบุญอันเป็นวิธีการของพวกมันนะคะเนื่องจากทางวัดได้จัดงานกุศลที่ยิ่งใหญ่กองบุญที่นี่จึงเป็นกองบุญที่ใหญ่นะคะบรรดาวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปรตวิญญาณอสุรกายสัมภเวสีเมื่อรู้ข่าวก็พากันมาสมทบ ที่มีอยู่เดิมก็มากอยู่แล้วและที่มาจากโรงพยาบาลสิริราชก็ตั้งหลายตนก็เลยกลายเป็นที่ชุมนุมของพวกวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากว่าพวกเขามาในรูปกายหยาบรับรองว่าวัดบวรนิเวศเนี่ยคงไม่มีที่ให้ยืนอย่างแน่นอนดีแต่ว่าในคืนนั้นพวกเขามาในโลกของวิญญาณเท่านั้นก็เลยไม่รู้นะคะว่าตอนกลางวันพวกเขาจะมานั่งแทกอยู่กับพวกศรัทธาธรรมทั้งหลายหรือเปล่า การมาร้องของกินส่วนบุญส่วนกุศลของเหล่าเปรตและก็วิญญาณในคืนนั้นนอกจากเหล่าพุทธวิปัสสนาแล้วก็ยังคงมีพระสงฆ์และก็สามเณรพร้อมทั้งบรรดาลูกศิษย์วัดที่ติดตามพระสงฆ์มาจากวัดอื่นๆต่างก็ได้ยินเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงจิตตินพวงศ์ซึ่งท่านก็เป็นอุบาสิกาของวัดบวร อ, อีกท่านหนึ่ง ท่านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นนะคะว่านอกจากตัวท่านเองแล้วยังมีเพื่อนๆเป็นญาติธรรมในคืนนั้นต่างก็ได้ยินกันทุกคนจนไม่มีใครกล้าเดินไปห้องน้ำลำพังคนเดียวรู้ทั้งรู้ว่าพวกวิญญาณที่มาเหล่านั้นพวกมันไม่ได้ทำอันตรายใครเพียงแต่ว่าพวกมันแสดงตนให้เห็นเป็นบางโอกาสเพื่อแสดงให้รู้นะคะว่าที่พวกมันมาที่นี่ต้องการอะไรและมาเพื่ออะไร การแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ถือเป็นความต้องการสูงสุดของพวกมันหม่อมหลวงจิตติยังได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าพวกวิญญาณที่มาจากโรงพยาบาลสิริราชพวกมันตามชิ้นส่วนของพวกมันมาพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งตามมาสมทบทําให้วัดบวรเต็มไปด้วยพวกวิญญาณแล้วก็โอบปาติกะสัมภเวสีแม้จะทําจิตใจให้ไม่กลัวมันก็กลัวอยู่นั่นเองทงั้งที่รู้ว่าพวกมันก็คือมนุษย์ที่ตายไปแล้วมาเป็นวิญญาณเที่ยวขอส่วนบุญ แต่คงไม่ใช่วิญญาณที่พากันเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรอกนะจะมีก็แต่วิญญาณคนกรุงเทพเท่านั้นขืนเดินทางข้ามถิ่นมาแย่งส่วนบุญส่วนกุศลที่กรุงเทพก็คงไม่คุ้มเมื่อมีข่าวลือนะคะว่ามีพวกผีพวกวิญญาณแล้วก็เสียงร้องของเปรตมาร้องขอส่วนบุญบนชั้น2ของตึกพป ร, รจากผู้ที่ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานคืนนั้นกระจายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่ง คนที่ไปนั่งวิปัสนาคืนนั้นที่ไม่เคยเชื่อว่าผีมีอยู่ในโลกก็ต้องเชื่อละค่ะเพราะว่าได้ยินกับหูตัวเองทั้งสองหูแม้ว่าจะมองไม่เห็นตัวตนก็ตามเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนดังไปทั่วกรุงเทพมันไม่ใช่เรื่องงมงายอีกแล้วแม้จะทําการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการสัมผัสกับเสียงอันเยือกเย็นผิดไปจากเสียงร้องของคนธรรมดาเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับตั้งแต่สร้างวัดมาดังนั้นเพื่อให้วัดกลับสู่ความร่มเย็น และเป็นที่พึ่งเป็นที่รวมใจของประชาชนต่อไปทางวัดจึงได้ประกาศทําบุญถวายสังฆทานครั้งใหญ่ขึ้นภายในตึกพอบรรที่เชื่อกันนะคะว่าเหล่าวิ ญ, ญญาณทั้งหลายทั้งปวงมาสิงสถิตยอยู่ในวัดเพื่อรอส่วนบุญการทําบุญถวายสังฆทานเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มารอรับทั่วทุกตนอย่างทั่วถึง กุศลผลบุญที่ได้รับนั้นคงทำให้พวกเขาเกิดความชุ่มเย็นและมากพอที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าหลังจากวันนั้นที่ทำบุญถวายสังฆทานครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็ไม่เคยมาปรากฏตัวอีกเลยที่จริงเรื่องราวเสียวๆขนหัวลุกในวัดบวรเมื่อครั้งอดีตมีมากมายนะคะผู้ที่ได้พบเห็นก็ล้วนเป็นพระชันผู้ใหญ่เป็นส่วนมากค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจาวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี่ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องพระเจอผีด้วยการกดติดตามหรือว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆของท่านนะคะได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ